ผู้มีอภารกนีรมิตรจงกลมในกาศในสมาคมแห่งพญาที่นิโคธาลมเพราะพระพุทธเจ้าแสดงเองนะสูตรนี้นะพระบระมศาสดาแ ส, สดงไว้ในคัมภีจริยาปีดกพุทธวงศ์เน่ยสองคำพีนะไปอ่านดูแล้วก็ในชาดกต่างๆก็จะเอามาเล่าค่อนข้างบ่อยเพฟังตอนนี้ก็ตื่นเต้นเดี๋ยวมาขอเล่าสรุปดีกว่าถ้าเอามาอ่านมันจะยาวเนาะตอนที่พระบระมศาสดาเ ส, สด็จไปที่พระปยุรญาตที่นิโคทาราม ตอนนี้นี่โคทารามก็อยู่ที่ก บ, บิลพัทตอนนี้ก็เป็นวัดล้างแล้วที่ตรงนั้นแหละพระบรมศาสดาสเสด็จโดยด้อมโดยภิกษุสงฆ์สองหมื่นลูปนี่นงตอนนั้นก็หมู่ประยุรญาติก็เกิดกระด้างกระเดื่องเกิดมานะทิฐิทิถิถมานะไม่เชื่อฟังเพราะว่าถือว่าตนเองอายุมากกว่าเล็กกว่าเยอะะก็เป็นปกตินะทิฐิบคนก็อทิฐิพระมานะกระสันเยอะ ทีนี้ก็พระองค์ก็แสดงอภินิหารพอแสดงอภินิหารอยู่ที่กรุงกบิลพัททินิโคทารามตอนนั้นภาษาริบุตรอยู่ที่เขาคิชกูดที่กรุงราชกฤห์ห่างกันมากนะถ้านั่งรถก็เป็นวันๆเนี่ยนะภาษาลิบุตรก็เห็นะเห็นพระบ ร, รมศาสดาด้วยที่พระจักรสร ก็เลยพร้อมได้พลิกสื่อสงฆ์นะสัตธิวิหาริคของท่านเนี่ยห้าร้อยลูกข้อหไปเฝ้าพระบรมศาสดาแล้วก็ไปกล่าวแทบมูลบาทของพระบรมศาสดาแล้วก็ให้พระบรมศาสดาเนี่ยแสดงธรรมแล้วก็ที่แสดงยิงมากครัเดีคือปรารถนาจะชมจะชมพระบารมีญานของพระพุทธเจ้าชมชื่นชมพยานของพระบรมศาสดาแล้วก็จะประกาศพยานของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ปรากฏภาษาบุญกระนำแสดงเนี่ยนะ ท่านก็บอกว่าว่าเราเป็นพรามเนี่ยซื่อสุมเมธาอยู่ในกรุงอมรอวดีสะสมทรัพย์ไว้หลายโกดมีทรัพย์สมบัติและก็ทันยานมากมายเป็นผู้คงกเกลียดเลียนนะ่ทรงจํามนด้วยจบไตรเพศถึงความสําเร็จในคมพีทํานายลักษณะและอิติหาสรสามเป็นที่ห้าในธรรมะของตนนั่งคิดอยู่ในที่สงัดอย่างนี้ว่าการเกิดในภพใหม่และการที่สรีละแตกดับไปในเป็นทุกข์แสดงมีอัธยาศัยมาไหเนี่ย สุเมธานี่สร้างบารมีมาเท่าไหร่สิบหกอสงไขยแล้วครั้งนั้นเราก็มีความเกิดความแก่ความป่วยไข้เป็นธรรมดาเราจักแสวงหาพระนิพพานที่ไม่แก่ไม่ตายอันเป็นแดนกเกษมดูที่ท่านคิดแล้วเอาเถอะเราควรเป็นผู้มิไม่มีความห่วงใยไม่มีความต้องการละทิ้งร่างกายที่เป่วยเน่าเต็มไปด้วยซากศพต่างๆนี้ไปเสียเอาใครจะคิดได้อย่างท่าน่ะ เราเนี่ยถ้ายังไม่ได้เคยฟังธรรมของพระพุทธเจ้าคิดมุมนี้ได้ไหมโอ้โหเนี่ยเราจะทิ้งแล้วร่างกายที่เปื่อยเน่าเนี่ยเต็มไปด้วยซากศพต่างๆอินในร่างกายมีศพเยอะไหมเอาบยสัตว์เยอะไหมในสลีร่าเนี่ยโอ้โหเชื้อโรค ก, ก็เยอะเนยนะมันเกิดมันแก่มันเจ็บมันตายกันเนี่ยซากศพทั้งนั้นในสลีล่อันเน่าเปื่อยเนี่ยกายนี้ไม่มีส่วนไหนงามเลย กายคือผมกายคือขนกายคือเล็บกายคือฟันกายคือหนังกายคือเนื้อกายคือเอ็นกายคือกระดูกกายคือเยื่อในกระดูกกายคือม้ามกายคือไตกายคือตับกายคือพังผืดปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองในกายในสตรีละเหล่านี้ทั้งสิ้นเต็มไปด้วยซากศพเชื้อโรคต่างๆพยาธิต่างๆหมูนอนแปดสิบตระกูลแปดหมื่นตระกูลเต็มไปหมดนะในเนี่ยนะ เต็มสรีระร่างกายของกระแสจใจของสัตว์ของสัตว์ทั้งหลายมันก็เป็นที่สืบพันธุ์มันก็ในนี้แหละเป็นที่เป็นโรงถ่ายก็อยู่นี้เป็นโรงอาหารมันก็อยู่ในนี้ยเป็นสถานที่กินที่ดื่มที่เกิดที่ตายก็มันก็อยู่ในี้แสดงว่าเป็นเต็มไปด้วยซากศพต่างๆผู้มีปัญญาทั้งหลายก็ก็วิจัยก็เห็นโทษเห็นโทษการว่าเห็นโทษเนี่ย เอาบางทีเนี่ยหมอเขาก็ผ่าตัดเนี่ยผ่าศลีละาเขาก็เห็นไม่งามเต็มไปหมดแต่หมอไม่ไปเห็นโทษเนาะพยาบาลกลู่ห้องผ่าตัดกันมาเยอะเนาะแต่ก็ไม่เห็นโทษเนาะเอาสิเพราะอะไรไม่เห็นนาะไม่เห็นโทษ เ, เหตุผลในการที่ไม่เห็นโทษเพราะตาบอดไงปัญญาเนี่ยปัญญาญานไม่เกิด ไม่ใช่ตาเนื้อไม่ใช่ความคิดแบบเก่าๆที่สั่งไม่ได้มีเหตุปัจจัยในการสั่งสมแต่ถ้าเห็นจริงๆจะเต็มไปด้วยโทษมรคนั้นมีอยู่ก็จักมีมรคนั้นไม่อาจจะไปไม่มีเหตุเราจะแสวงหามารคนั้นเพื่อเพื่อหลุดพ้นไปจากภพท่านบอกว่ามันจะต้องมีทางออกจากภพมั้ก็ทางไปในภพมันยังมีแล้วทางออกจากภพทําไมจะไม่มีอย่าลืมนะว่าท่านมีกรรมสักตาสมาธิทีทนะท่านได้พิญญาหนะ้านั่นแน่ จำสกทาสัมมาทิฏฐิเกิดเกิดท่านเนืเมื่อความทุกข์มีชื่อว่าความสุขก็ต้องมีแม้ชั้นใดเมื่อพบมีอยู่วิภพจําต้องปรารถนาชั้นนั้นอัตภพมีอยู่การปรารถนาความไม่มีพบก็ต้องมีเมื่อความร้อนมีอยู่ความเย็นอย่างอื่นก็ต้องมีแม้เชั้นใดไอ้ไฟสามกองเนี่นะราคาโทสะโมหะมีอยู่นิพพานคือความดับไปจําต้องปรารถนาอย่างนั้น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 เป็นความผิดของสระหรือความผิดของบุรุษนั้นความผิดของบุรุษนั้นน่ะทําไมไม่ไปอาบน้ําราคาโทสะโมหามีอยู่เนี่ยทางที่จะดับราคาโทสะโมหาก็มีอยู่ทําไมไม่เดินนิพพานที่เป็นที่ดับราคาโทสะโมหามีอยู่ทําไมไม่ไม่เข้าไปถึงให้ได้ไม่ใช่ความผิดของทางไม่ใช่ความผิดของพระนิพพานแต่ความผิดของผู้เดินไม่ยอมเดินใช่ไหมเมือราคาเกิดที่ใจด่า แต่ทำไมเราไม่พิกใจเราเดินไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องเมื่อสายน้ำำําอมฤตมีอยู่บุคคลไม่สแสวงหาสายน้ํานั้นอันเป็นที่ชําระมนทินคือกิเลสนั้นไม่ใช่ความผิดของสายน้ำยํำแต่เป็นความผิดของบุรุษนั้นเมื่อทางไปมีอยู่บุรุษนั้นถูกพวกฆ่าศึกปิดล้อมไม่ยอมหนีไปนั้นไม่ใช่ความผิดของทางเอาเขาปิดหมดแล้วกิเลสปิดแต่ทางออกจากกิเลสมีอยู่ ทางออกจากชาติมีคือความเกิดทางออกจากความแก่ความเจ็บความตายความโศกความลำํารลำพันความไม่สบายกายไม่สบายใจความครับแค้นใจมีไหมถ้าเราไม่ยอมออกเป็นความผิดของทางหรือความผิดของบุรุษนั้นวอาความผิดของบุรุษนั้นว่าไนคนป่วยหมอมีอยู่เนะเป็นตนวอะไรนี่น คนปลดเปลื้องซากศพที่น่ารังเกียจที่ผูกไว้ที่คอแล้วไปอยู่เป็นความสุขยังเสีรยรีตามลำพังตนชั้นใดเอาเถิดเราควรเป็นผู้ไม่มีความห่วงใยไม่มีความต้องการละทิ้งร่างกายที่เปื่อยเน่าเต็มไปด้วยซากศพนิสัยชั้นนั้นออคนชายหญิงเนี่ยนะทายุจระลงในส้วมแล้วย่อมละทิ้งส้วมไปไม่มีความห่วงใยไม่มีความต้องการแ ม, ม, ม, ม้ชั้นใดแยกทายุจระประสัสสาวะแล้วเรามีความ เสียดายไปะไหมเสียดายไหมแยรู้อย่างนี้ห อ, อกลับบ้านไม่เสียดายเลยใช่ไหมเราจะทิ้งร่างกายที่เต็มไปด้วยซากศพนี้ไปเสียดุจคนทายอุจจระ ล, ะลงในซ้วมแล้วละทิ้งไปเช่นั้นโอ้โหท่านไม่อะไรเลยเนาะไม่อะไรไม่เย็นดีในซรีระในกะเลวาราเลยเราจะกลัะทิ้งร่างกายที่มีทวารทั้งเก้าที่ไม่สะอาดไหลออกอยู่เป็นนิด ดูดเจ้าของเรือนลาทิ้งเรือนที่ค่ําคลาไปตาเนี่ยนี่ตานี่ยร่างกายก็ทวารกา็ทวารตาสองทวารหูสองทวารจ ม, มูกสองทวารปากหนึ่งทวารหนักทวารเบาเก้าไหมก็เหมือนตะปูตอกเรือนเนี่ยเรือนหลังนี้เก่าอย่างเนี่ยเก่าแล้วสมควรทิ้งไงเนี่ยทิ้งเรือนหลังนี้ไปสร้างเรือนหลังใหม่อา่าผิดอีกใช่ไหม เลือนหลังไหนก็เป็นแบบนี้ก็มีจัก4สี่ทวารเก้าไอ้ทวารเก้ากือตะปูเก้าดอกตอกลมก็โยกใหญ่แล้วชลาใช้ลมมะพญาธิใช้ลมไหมลมความโศกความล่ํารลาพันไม่สบายกายไม่สบายใจความครับแค้นใจเจอลมพายคุคือมรณะตายเลยเห็นไหมตะปูตอกไม่อยู่หรอกบ้านหลังเนี้ย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 กายคือมหาโจรนั่นแหละท่องเอาไว้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเย็นกระดูกเยื่อในกระดู ก, กคือมหาโจรมหาภูธรูปและอุปาทัยรูปคือมหาโจร น, นามธรรมาก็เป็นมหาโจร น, นะเราควรอยู่กับเขานานๆไมไว้ใจได้ไหมโจรเนี่ย ไ, ไ, ไว้ใจไม่ได้หรอกเขาฆ่า เขาป้นตอนนี้เขาป้นนี่ยังเนี่ยป้ น, นนี่ยังอความหนุ่มหายไปไหนความว่องไวกําลังวังชาหายไปไหนเขาป่นเรียบร้อยไปหมดแล้วเด็กหญิงคนนั้นหายไปไหนเด็กชายคนนั้นหายไปไหนหนุ่มคนนั้นสาวคนนั้นหายไปไหนบางคนโดนป้นหนักเลยนะไม่ใช่ ถ้าบางทีมันหายไปอย่างนี้ก็บางคนบางคนเนี่ยมันดึงฟันไปหมดหมดปากแล้วโดนป้นนักเข้านัะเข้าฆ่าทิ้งไหมมันฆ่าทิ้งเนี่ยมหาโจรเราจักลร่ากายนี้ไปเพราะถูกป้นกุศลธรมรมเกลี้ยงเลยคืนเราอยู่ในกายนี้เราก็ถูกป้นทุกวัน เอามีวันไหนไม่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเกิดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวสัมมาวิมภาัมมาสติสัมมาสมาธิเกิดทุกวันเลยเกิดอย่างต่อเนื่องไม่มีใครมาป้นได้เลยมั่นคงดุดเสาแล้วเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงไหมโอ้โหแป๊บเดียวก็โดนป้นบกกําลังจะก่อไม่ได้สังนิดแต่โดนป้นได้แล้วใช่ไหมเอาเนี้ยจวันนี้จะเรียนกุศลใช่ไหมเพราะกลับไปถึง ที่บ้านเห็นบ้านลกๆงุดงิดอีกแล้วตอนนั้นอะอเยทรัพย์ที่สะสมมาเต็มใจหายหมดเลยยังโดนพ้นได้อีกแล้วเก็บให้ดีสั่งสมให้ดีขั้นเราคิดอย่างนี้แล้วก็ได้สลาราบหลายร้อยโกดคนที่เขาคนที่มีที่พึง่งแล้วไม่มีที่พึง่งแล้วก็ไปยังป่าหิมพาน ที่ไม่ไกลจากภูเขาหิมะวันนันะนะมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อว่าธรรมิกะเราสร้างอาสมอย่างดีสร้างบรรณศาลาอย่างดีเราสร้างที่จงกรมเว้นโทษ5ประการแล้วก็ประกอบไปด้วยคุณ8ประการเป็นต้นตรงนี้ท่านก็ประกาศเขาไว้นะโทษถึงการเดินยงกรม5ประการก็คือสถานที่ที่ขุกขะนี่เป็นโทษมีต้นไม้อยู่ก็เป็นโทษเป็นที่รกรุงรังแคบเกินไปกว้างเกินไปถือว่าเป็นโทษเท่านั้นนะนะ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 ต้องขอผู้อื่นใช้สอยแล้วก็หมองเร็วผ้าที่มีราคามากนี่มีโทษเอามาใช้แป๊บเดียวมองอีกแล้วนี่เนะี่ยผ้าที่หมองแล้วจําต้องซักแล้วต้องย้อมมีก็เป็นโทษอีกเห็นไหมเนี่ยผ้าที่ใช้สอยเก่าแล้วก็จะต้องชุนต้องปะ เ, ออเป็นโทษอีกแสวงหาผ้าใหม่ก็ยากต้นยืในให้ป่าเนี่ยนะผ้าไม่สมควรแก่การบวชเป็นดาบวเป็นดาบวไม่สมควรใช้ผ้า พวกข้าศึกก็ใช้ได้บอกเดี๋ยวโจรมาเห็นก็จะลักผ้าอีกปนเอาผ้าอีกมก็เป็นโทษอีกต้องระวังรักษาไม่ให้พวกข้าศึกลักไปได้อีกหูต้องระแวงระวังเดี๋ยวจิตไม่เป็นสมาธิจิตก็จะภาคจากกุศลอีกเป็นเหตุให้นุ่งห่มมีการแต่งตัวนุ่งไปเดี๋ยวกิเลสเกิดอีกก็เป็นโทษแล้วก็ถือเที่ยวไปกลายเป็นผู้มักมากเดี๋ยวเที่ยวไปเที่ยวไปเดี๋ยวกลายเป็นคนมักมากเขาอีกไม่ดีเลยว่างั้นท่านก็เลยสละสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยไม่เอาผ้าอะไเดี๋ย ใช้เปลือกไม้ดีไหมทีนี้วากวากาจีรังกับผ้ากองเนี่ยผ้ า, ผาเปลือกไม้ผ้าที่ทําด้วยเปลือกไม้ซึ่งทําด้วยผ้าด้วยหญ้ามุงกระต่ายที่เป็นเส้นๆเนียแล้วก็ถักใช้ผ้ากองเนี่ยมีอันนี้212ประการได้ไหมงั้นมีราคาน้อยไม่ต้องขอคนอื่นถักเองได้ใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยวิธีคิดโดยที่จักมหาเศรษฐีใหญ่อยอมสวนนี่มหาเศรษฐีใหญ่ไปนุ่งผ้าเปลือก ไม้อ่ะใหญ่ที่สุดก็คิดดูนะแจกทานแจกไงก็ไม่หมดเนะี่ยก็เลยเปิดประตูก็ไ้เอาทานทั้งหลายเชิญหยิบกันเอาเองคิดอย่างนี้ใจรีบร้อนจะไปบวชเนะียอยากบมเพ็ญเน่ขมาสามารถทำใช้เองก็ได้ใช่ไหมเปลือกไม้เนะี่ยไม่ต้องไปจ้างนะ ผ้าค่อยๆมองไปเลยกออ็เปลือกไม้มันนานนานเก่าอ่ะก็เป็นเปลือกไม้อยู่แล้วเมื่อใช้เก่าไปก็ไม่ต้องเย็บเปลี่ยนใหม่ได้เลยนี่ไม่ต้องกลัวคนลักแล้วใครจะไปรักเปลือกไม้เห็นไหมเนี่ยสแสวงหาก็ได้ง่ายในป่ามีแต่เปลือกไม้เต็มไปหมดสแสวงหาง่ายด้วยเหมาะแก่การบวชเป็นดาบท ด, ดาบทอยู่ในป่าต้องใช้เบลือกไม้ถึงจะถูก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 ดูดิจีวรพายัางหายอมาก็เลยบอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวครับาพิจารณาพีจา่พจีวรหายยอมลองดีเถอเอาพายไปตากลองหายหมดหายไหม้องน่งเปือกมาหายไหมไม่หายนะนี่เป็นอย่างี้ครั้งนั้นสุเมธาดาบทพักอยู่ในบรรณาศาลาใกล้รุ่งรุกขึ้นพิจารณาถึงเหตุที่ตนออกบวชก็คิดว่า เราจะละทิ้งบ้านประดุษสถานที่อยู่กรุงเทพธิดางดงามด้วยสมบัติโอฬานตอนบริจาคทานนะเป็นทานบารมีไหมเป็นไหมพอมาบวชนี่บําเพ็ญศีลบารมีได้ไหมแล้วเป็นเนคขมาบารมีไหมสรุปแล้วกล่าวสามบารมีแล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่เดี๋ยวมาจะบอกลกคณะที่เจตุการของบารมีเหล่านะั้นเดี๋ยวเอามาจะกล่าวจริงๆจะต้องกล่าวให้ได้สามบารมี ก็ทําไงได้เรื่องมันเยอะใช่ไหมเวลามันน้อยใช่ไหมใช่เรื่องมากแต่เวลาน้อยทีนี้หน้าเรื่นลมด้วยเรือนที่หัวเราะและพูดจากันเพาลาะว่ังนั้นเนี่ยเราจะละทิ้งบ้านเรือนไปดุดสถานที่อยู่ของเทพธิดางดงามด้วยสมบัติอนโนราหหน้าเรื่นลมด้วยคนในเรือนที่หัวเราะและพูดจากันเพาลาะไม่ได้ไปตอนที่เขาเศร้าโศกเสียใจด้วยนะเขากําลังล่าไข่กันสนุกสนานเนี่ย คนที่มีอัธยาศัยในการบวชมนานานๆเนี่ย <_ d ata> เขาเห็นคนหัวเราะกับการร้องไห้มันเป็นอันเดียวกันเลยเนี่ยหัวเราะนี่หัวเราะี่รัวผ้าใช่ไหมร้องไห้ร้องไห้โดยโทสะใช่ไหมสรุปแล้วทั้งหัวเราะและรล้องไห้เป็นอกุศลใช่ไหมเขาคิดอย่างนี้ <_ d ata> เขาบอกหัวเราะและร้องไห้ไม่ต่างกันเลยลวงอบายหมดนเนี่ยนะคิดออกเลยเระหว่างหัวเราะกับร้องไห้ไหนเดียวกันถือเป็นความดีไหมไม่ดีทั้งคู่ หัวล้อก็โลภะร้องไห้ก็โทสะไม่รู้ตามความเป็นจริงก็โมหะสรุปแล้วเป็นมิจฉาปฏิปทาวามันไม่เอาดีกว่าที่ท่านคิดอย่างเงี้ยถ้าางนั้นไม่ให้หัวล้ อ, อจะทำไงกลับไปบ้านไปนั่งหน้าบึงบ้งบึ้งเขายิ้มได้เพราะมหากุสโสมนัสมีอยู่แต่มหากุสโสมนัสไม่มีหัวล้ อ, อจะงอลงไปกลิ้งก็ไม่มีหรอกใช่ไหมถ้าอย่างนั้นไม่ใช่แน่ๆ น, นั่นเป็นโลภะ เจือด้วยเสียงกำไลมือกำไลเท้าทำทองใหม่กระทบกันดุดทิ้งก้อนเคลรก็บอกโอ้ยเหมือนก้อนเคลรอยู่ในปากอยู่ในลิ้นเนี่ยพร้อมที่จะคลายทิ้งเขาก็ไปยังปา่าตะโปวันสถานที่บาเพ็ญตะบะลอยบาปทั้งชนทั้งปวงเพราะเป็นผู้ยินดีในวิเวกแต่การที่เราเนี่ยพักอาศัยในบรรณาสานนี้ย่อมเป็นดุดการคองเรือน ครั้งที่สองเอาละเราจะพักอาศัยที่โคนไม้พระบรมศาสดาก็ตรัสว่าเราได้ละทิ้งบรณารณศาลารวมเป็นที่แปดประการชื่อว่าโทษแปดประการนะบรณารณศาลานะสร้างให้สําเร็จต้องใช้เป็นเครื่องปรุงแต่งมากบํารุงด้วยบหญาแล้วก็ไม้ดินเหนียวเป็นต้นเป็นประจำํำโ้ยากอย่าอยู่เลยอยู่บรณารณศาลาก็ลําบากอีกใช่ไหมได้เป็นเครื่องกังวลไม่เอาแล้วอันแรก เสนาสนะก็จะชํารุดไหมต่อไปจะเป็นกังวลอีกใช่ไหมการที่ต้องย้ายออกไปในเวลาไม่สมควรจะไม่เอ็นเอกระกะตาจิตแล้วจิตคลาดเคลื่อนเนี่ยแเอจิตกําลังดิ่งเป็นสมาธิเดี๋ยวก็ต้องย้ายอะไรเงี้ยไม่เหมาะต้องทนุถนอมกายเพราะกระทบกระทั่งความเย็นและความร้อนเอาถ้าออกไปข้างนอกก็ร้อนอยู่ข้างในก็พอสบายสบายเนี่ยนะมีเหตุจะต้องปกปิดเสียงกรหางผู้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 อาพระกังวลนะบางทีพระอยู่ในห้องเงียบๆเนี่ยแต่พระองค์อีกองคหนึ่งไปเนี่ยใกแอบจะจะค้อประตูเนี่นี่ยจะต้องรีบเปิดนะเดี๋ยวอีกพระองค์หนึ่งเอแอบทําชั่วอะไรหรือเปล่าเช่มั้ยต้องทะนุถนอมกายกระทบแล้วก็เป็นเหตุปกปิดข้อกัาเลยครแล้วก็แสวงห่วงเห็นว่าเรือนนี้เป็นของเราว่าอยู่เป็นนานๆก็ยึดไหมยึดติดต้องอยู่อย่างมีเพื่อน ต้นหานั่นเองนะเป็นสถานที่ทั่วไปแกสัตว์ทั้งหลายมีเลนเลือดจิ้งจกเป็นต้นเป็นโทษแปประการของการอยู่ศาลาก็อยู่ในบ้านก็มีโทษเนาะจิ้งจกตักแกมีเยอะ ม, ะมดก็เยอะเนะเขาก็ว่าเป็นบ้านเขานั่นเนาะเขาก็ยึดเหมือนเรายึดนี่แหละค่นไม้มีคุณสิบประการริเริ่มขวนขวายน้อย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 สุเมธาดาบทก็เห็นโทษของบรณารณาศาลาเห็นคุณของต้นไม้อย่างนี้แล้วก็เข้าไปอยู่ที่โคนต้นไม้สร้างกำลังของอภิญญาทั้งห้าให้ล่วงเลยไปได้สุขจากการเข้าสมาบัตินะโอ้โหท่านได้ท่านได้ฌานได้ได้ฌานแปดได้สมาบัติแปดเมธรมรดานะสมาบัติแปดใกล้จะถึงเวลายอยังไม่รู้ยังเนาะยังนะ ทีนี้พระทศพภรยานนามว่าพระทีบางกรนนะทำการส่งข้อหมาชนทั้งปวงอยู่ทรงกระทําความกล้วกล้าแก่พลมานนะผู้ทรงกระทําปฏิพคือยานนะผู้ทรงทําความเกษมแก่โลกทั้งสิ้นพอบรรลุบรบรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็แวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์สี่แสนรูปสเสด จ, จาริกไปเดอรําดับใช่ไหมเมื่อกี้เราดูในภาพนั่นแหละไปถึงรํานะรนะนะนะนะํามนาครนครนั้นแหะเรื่นล้อมอย่างยิ่งประท้าประสาทอยู่ในสุทัศนาหมาวิหารอันนี้เหมือน เ, เหมือนกันในมหาสุทัศน์สุดน่ะคล้ายๆกันฝ่ายประชาชนชาวรัมมานครก็ต่างถือดอกไม้ของหอมเป็นต้นก็ไปยังสุทัศน์มหาวิหารสถานที่ประทับของพระทศพลยานนั้นทูนรัตนาฉันพรทหารในวันรุ่งขึ้นในวันต่อมาต่างก็จัดเตรียมมหาทานช่วยกันประดับทางแล้วก็ตั้งแต่สุทัศนมหาวรจนถึงรัมมานครหูสร้างทางอย่างสวยงามในประดับประดาในขณะนั้นสมีธดาบทมาและเหาะมาทาอากาศ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 ไม่ทราบหรือว่าพระสัมมาสัสมพุทธเจา้านามวัตถีบังกรบรรลุอนุตตรสัมมาสัสมโพธิญาณแล้วแล้วทรงประกาศ ธ, ธรรมจากอันประเบื่อให้เป็นไปแล้วจาเล็กถึงชนบทถึงพระนครของพวกเราโดยลําดับประทับอาศัยอยู่ที่สุทัศนะมหาวิหารว่างันโอ้สังเกตไหยตอนที่พระเจ้าประสูติมื่นจกักรหมืนจักรวาลก็หวั่นไหวตัดสรุปหมืนจักรวาลก็หวั่นไหวแสดงธรรมจากหมื่นจักรวาลก็หวั่นไหวแต่ท่านไม่ได้ยิน ใช่ไหมไม่ได้ได้ยินเนี่ยการอยู่ในสมาบัติเอ๊ะอย่างนี้สันนิฐานพวกเราได้ไหมในอดีตสงสัยไปเข้าสมาบัติอยู่เลยไม่ได้ยินบอกบางคนบอกไม่ใช่องตกนรกอ่า <c oughs> ใช่อย่างนีน้ท่านเข้าสมาบัติก็เลยไม่ได้ยินว่าพระบรมศาสดาวบัตเกิดขึ้นแล้วก็ช่วยกันแผ่วทางทางเนะี่ยขณะนั้นสุเมธาดาบดได้ฟังก็แม้ แล้วคิดว่าแม้การจะประกาศว่าพุทโธพุทธเจ้าเนี่ยหาได้ยากมากไม่ต้องกล่าวถึงการที่พระพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นในโลกแค่คําว่าพุทโธใช่ไหมก็หาได้ยากแล้วแสดงว่าท่านเข้าใจพยัญชนะนี้ดีนะนอัฏฐาก็เข้าใจถึงอัฏฐาของพยัญชนะนั้นอย่างชัด เ, เราได้ยินพุทโธตั้งแต่เล็กแน้อยไหมแต่ไม่เคยมีความรู้สึกกระปี้กระเป๋อะไรในใจเลยใช่ไหม คำว่าพุทธโธเนี่ยกับฝังในกระแสะใจท่านแรงมากฉนั้นตรงนี้เราท่านทั้งหลายนเนี่นฝังพุทธคุณไว้ฝังให้แน่นนิมท่านจะได้ที่พึ่งถ้าฝังคุณของพระบรมศาสดาไม่แน่ใ น, แ น, นในกระบวนการดานดานะที่สุดจริงๆก็เคลื่อนเพราะเคลื่อนจากภพนี้สู่ภพใหม่อุปนิสัยปัจจัยไม่แข็งแรง ได้ยินคำว่าพุทธโธก็เฉยๆอย่างชาตินี้ไงอย่างชาตินี้ไงตั้งหลักใหม่ตอนนี้ยังมีโอกาสอยู่นะเนี่ยรับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเนี่ยมีโอกาสที่จะรีบฝังพุรธคุณไว้ในใจให้แน่นให้หนาแน่นให้แข็งแรงเพราะโอกาสในการที่จะน้อมอคุณของพระบรมศาสด า, า, า, าไว้ในใจนั่นน่ะมันเหลือน้อยลงน้อยลงเราไใจขาดเมื่อไหร่ก็หมดโอกาส เพอๆบางทีอะไปหกล้มออรู้จักยอมคนนึงนะตั้งใจจะฟังทำเนี่ยนะอุย้ยตั้งใจบอกแล้วน่ะเข้าน่ะเข้าไม่ทันได้ตั้งใจฟังเดนะเรียบร้อยเข้าห้องน้ำก็ไปล้มขาห้องน้ำตอนนี้ยังไม่พื้นเลยเนะนี่ยเนี่ยฟื้นไม่แค่บอกโอยต่อไปจะฟังพุทธคุณก็บอกเองเลยนะตั้งใจเอามาบอกรีบสิชีวิตไม่แน่นอน ท่านบอกอุ้ยทันแน่นอนท่านม า, มาบอกไม่แน่หรอกและไม่ทันจริงๆแล้วตอนนี้ท่านจะเจริญพุทธคุณยังไงก็ยังไม่ฟื้นเลยอ่ะไปล้มหัวนอกพืน้นเส้นเลือดในสมองแตกเลือดก็ไหลพูดก็ไม่ได้เปิดเปิือกตายังไม่ได้เลยอ่ะแล้วจะทำยังไงแล้วเรารลานต่างหายกระแสของชีวิตเนี่ยมันจะขาดลงนะวันไหนก็ไม่รู้นั้วมามัวเพ้ิดเพลินกันอยู่ใช่ัหม รีบฝังพุทุคุณไว้ให้แน่นในกระแสะใจเทียจะได้พอมีที่พึ่งมีสาระที่จะเป็นไปในพบต่อไปบางจุดติจิต ด, ดับเนี่ยแปลว่าสาระขาดใช่ไหมถ้าอย่างนี้แปลว่าท่านฝังมาสิบหกกระสงไขยอ่ะฉะนั้นเพียงแค่จะยินพุทโธหายากมากไม่ต้องกล่าวถึงการที่จจอุบาิเกิดขึ้นของพระบรมศาสดาแม้ตัวเราก็สมควรจะช่วยมนุษย์เหล่านี้แผ่ทางทางที่พระทศพลยานเสด็จมา ขันสมาธาดาบทคิดอย่างนี้แล้วก็กล่าวกับมนุษย์เหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายถ้าพวกท่านช่วยกันเพ้ถาถังทางนี้เพื่อพระบรมศา ส, สดาแล้วซ้ายขอพวกท่านจงให้ส่วนแห่งทางนี้แก่ข้าพเจ้าด้วยแม้ข้าพเจ้าก็จะช่วยเพ่าถางทางาเพื่อพระบรมศาสดาพระองค์นั้นเอาละครว่าขอทางดันเดียขอมีส่วนนะเชื่อมความก็คือว่าสุมเมธาดาบทกล่าวอย่างนี้แล้วก็มนุษย์เหล่านั้นก็นับว่าดีรสาธุสุเมธาบฑิตมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมาก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 ท, ทั้งทั้งนี่ตัวเองก็ยากจนเนี่ยเขาบอกให้รับในการถวายอาหารพระเป็นแสนแสนลูปเป็นหมื่นหมนื่นแสนแสลูกแกยังคิดไม่ออกแกรับทันทีนี่ไงถ้าคนอย่างเนี้เหมาะใช่ไหมลำดับนั้นสุเมธาดาบทก็เกิดปีติมีพุทธเจ้าเป็นอารมณ์คิดว่าเราสามารถที่จะกระทําสถานที่ตรงนี้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 ทำจริงจงจังๆเลยเนี่ยคนคิดอย่างเงี้ยคนน้อมถวายเป็นพุทธบูชาก็คิดกันแบบนี้เอาบางท่านนี่นะบางท่านก็ไปถวายเป็นพุทธบูช า, ไ ป, า, ปชาไปที่ตรงพระเจดีย์ก็ไปขัดไปเช็ดไปถูไปกวาดไปบูชาไปทาอะไรต่างๆาเนี้ยทำได้เลี้ยวแหงกตัวเอง มีอยู่ครั้งหนึ่งนะอมมาก็ขึ้นไปบนเจดีย์ตรงยุทธยาบุเขาทองเนะี่ยไม่ใช่บุเขาทองที่ที่กรุงเทพในะที่อยาโอ้ยนกพิราบมันก็เป็นไม่รู้เป็นกี่ปีแล้วคนเขาไม่ทํากันนะ่ะกองประเด็นดันทึกเลยอมาก็เห็นเฮายทำไงดีเนี่ยก็เป็นนั่นมียอมเขาเห็นเขาไปช่วยทําทําตั้งแต่จนจะเที่ยงเนี่ย กว่าจะเสร็จกันเนี่ยนะเล่นจ้จนเย็นแล้วต้องคี่ขนใส่กระสอบแล้วก็แบกลงมาจากข้างบนเนี่ยขนใส่กระสอบก็แบกต่างขนต่างก็ทำคือได้ความชื่นใจที่เราได้อุปถาพระบรมศาสดาได้อุปถาท่านได้ดูแลได้ได้ถวายเป็นวัตรบูชาก็ขนดินนะนะนกมันเอาไป ไปทิ้งข้างบนเราก็ขนจากข้างบนลงมาข้างล่างแล้วสูงก็สูงเนี่ยทํากันอยู่ประมาณสี่ห้าชั่วโมงห้าคนนี่แต่อย่างเงี้ยก็คือเหมือนเพ่าถางังทางนี่แหละถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยแหละนั่นเราท่านทั้งหลายก็ไปทํากันบ้างเจอสถานที่ตรงไหนก็ทำํำถวายเป็นพุทธบูชาอย่างนี้สิใช่ไหมเราใช้กายใช้วาจาใช้ใจของเราเนี่ย เ, เรนลามิตร จากการที่ใช้รูปกายด้วยการทำลำดับนั้นสุมเมธาดาบ ท, ท่านก็คิดทีนี้เมื่อทำเป็นไปตามลำดับเหล่านั้นนะน ะ, น ะ, นะยังไม่ทันเสร็จนั่นแหละพวกมนุษย์ก็กลาบทูลพระบรมศ า, ศาสดาเลยว่าพระพุทธเจ้ามาแล้วลำดับนั้นพระพุทธเจ้าทีบังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมในพิกสูสองสีแสนลูปที่เทวดาวนุศบูชาอยู่รุ่งโรดประดุดดังดวงพานุ ม, มาตรมีรัศมีหนึ่งพัน รุ่งโรดอยู่ท่ามกลางฟ้าเสดมายังรำมณครครั้งนั้นสุมเมธาดาบทได้เห็นพระบรมศ า, าสดากระทำโลกธาตุให้ทั้งสส้นให้สว่างสวยถึงกันด้วยพุทธสลีหาสิ่งเปรียบเทียบไม่ได้ทรงยังห้องแห่งยุคคนทรให้สว่างสวเสดมาดุดอาทิตย์ยังอ่อนและจมลงในทะเลของปีติโอ้โหปีติเกิดซาบซ่านในกระแสใจของสุมเมธะเนี่ยนะ ท่านคิดทันทีลเลยพอเห็นพระบรมศาสดาเท่า น, นั้นเนะี่ยท่านบอกวันนี้วันนี้แล้วท่านว่างี้เนี่ยนะเราควรจะสละชีวิตเพื่อพระทศพลแล้วทิ้งทันทีทิ้งชีวิตเลยไม่ไม่ไม่อะไรเลยอย่างเราก็คิดมากใช่ไหมถ้าคนที่บา ร, รมีไม่แข็งแรงเนี่ยจะคิดมากตัดสินใจช้า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 เหมือนกระเย็ยบสะพานแก้วผลึกประดับด้วยแก้วมณีใชนไหมหนูงั้ น, นถ้าเราจะพึงเป็นพระเจ้าผู้เช่นนี้ในอนาคตว่างั้นบอกว่าเราเจะเป็นพระเจ้าในอนาคตด้วยอาการในการรณีการทําอย่างนี้ตรงนั้นก็คือบอกว่าท่านก็ทอดร่างกายของตนเป็นสะพานสมีธาดาบทก็นอนเอาร่างกายของตนเนี่ยคือสรีระของตนทําเป็นสะพานมุ่งหวังอะไร ท่านกระทำเพื่อประโยชน์บอกว่าถ้าโพธิญาณจะมีแก่เราในอนาคตสุมเมธาดาบทก็นอนบนหลังเปลือกตมก็คิดบอกว่าถ้าเราจะพึงปรารถนาฟังธรรมของพระพุทมีภาคเจ้าในสถานที่นี้แลขึ้นสู่ธรรม น, น, นาวาธรรมนาวาขึ้นสู่อริยมรรคก็คือท่านบอกว่าท่านสามารถจะประชมสติปัฏฐานเนี่ยสมบูระ์ฐานอิธิบาทอินทร์สพระโพธิชงอริยมรรคนะประชมพอดีปัญญาธรรมจากเบื้องต้นเนี่ยนะ สามารถที่จะเคลื่อนธรร ม, มานาวาในพาทะเลขึ้นท้งโลกเยียมหาสมุทรทันทีเดี๋ยวนี้แล้วก็ไปไประชุมลงในโลกุตละบรรลุธรรมเป็นพระหลักฐานได้แตกฉานปฏิสัมพิทาแล้วได้พัญญาหกด้วยนะท่านบ่าท่านบรรลุได้แน่ข้อมูลขนาดท่านเนี่ยเพราะท่านขั้นคิดเลยก็คิดพุทธคุณก็ฉานสมาบัตของท่านก็มีพุทธคุณท่านก็คิดได้ปัญญาก็เยอะจึให้บารมีก็สั่งสมมาทั้งสิบหกอสงไขยยิ่งด้วยแสนกับ ถามว่าทำไมท่านจะบรรลุไม่ได้ใช่ไหมใ้ยแล้วบรรลุอย่างยอดเยี่ยมด้วยท่านบอกว่าท่านกระทำตรีระของตนน่นะให้เป็นปารลฟังธรรมของพระบรมศาสดาในสถานที่นี้ขึ้นสู่ธรร ม, รร ม, น, าารรมนาวาเผากิเลสคือราคาโทสามโมหะทั้งปวงบวชเป็นสังฆนวกะเข้าสู่ ร, รัมมนคร ก็เป็นสงฆ์บวชใหม่วันนี้เป็นป้าริยะเนี่ยท่านบอกข้อนั้นไม่น่าอัศจรรย์สําหรับเราเลยเราไม่ต้องการทําการเผากิเลสคือราคาโทสามโมหาในวันนี้แล้วบรรลุพระนิพพานได้เพศที่ไม่มีใครรู้จักท่านบอกว่าเราจะไม่บรรลุเป็นสาวกธรรมดาในเพศที่บุคคลที่ตั้งศรัทธาแล้วไปพระนิพพานไม่ได้ว่ฟังนะในเพศที่คนไม่รู้จักอย่าลืมนะเวลาเราท่านทั้งหลายฟังธรม ถ้าศรัทธาเราเกิดเนะี่ยเราศรัทธาในพระเจ้าเนะีไม่ใช่ศรัทธาไอ้อมาเนะียหรือสาวกของพระเจ้าแสดงธรรมก็นในยะเดียวกันนะไม่ใช่ที่ว่าไปศรัทธาท่านเหล่านะั้นศรัทธาพระเจ้าพระธรรมและยะสาวกเป็นต้นเนะี่ยท่านก็เลยบอกว่าทําอย่างไรเนาะเราจะพึงบรรลุ ป, ปริมาปริมาสมสมโ พ, พธนนะิญาเนี่ยดุจพระทศพลญาเนี่ยนะขึ้นสู่ธรรมนาวาหมาชนข้ามสังสารสารคอนปรินิพานในภายหลัง ข้อนี้เป็นสิ่งสมควรแก่เราสุมเมทาดาบทนอนกระทําอภินิหารคําว่าอภินิหารก็แปลว่าอะไรแปลว่าความปรารถนาพุทธภูมิคือการตั้งจิตไว้ให้มั่นคงความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ได้หลายในอภินิหารนี่ปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ตั้งจิตไว้อย่างมั่นคงความปรารถนาพุทธภูมิปรารถนาเป็นพุทธเจานั่นแหละอภินิหาร ประมวลทำแปดประการซึ่งท่านกล่าวไว้มนุษยสัตังลิงกัสัมปติท่านก็ประมวลบอกว่าในกรณีที่ท่านประกาศหนาเป็นพระพุทธเจ้านี่นะท่านก็ประมวลธรรมะเขาเรียกธรรมะสมุทรานทั้งแปดประการนในการที่จะตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าในที่ท่านบอกว่า มนุสตังริงคสัมปติเหตุสัทธารดาสนังปปัชาคุณสัมปติอธิการุจชัชนตาอัาธดัมมาสมุทานาอภินิหารโรสมิชตีบอกว่าอภินิหารเนะ ความปรารถนา พ, พุทธภูมิย่ำสำเร็จได้ในการประชมองค์8ประการนั่นหนึ่งความเป็นมนุษย์สองถึงพร้อมด้วยเพศสก็คือเหตุตัวก็เหตุสี่ 4, ก็การเห็นพระบรมศาสดาหบัตรประชาหก็ถึงพร้อมด้วยคุณเจ็ 7, ก็ิการะ8ก็คือฉันทานนี่นะก็คือ ความประชมความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ด้วยเพศเหตุที่จะทําให้สําเร็จเป็นพระอราชผลได้ในชาตินั้นการได้เห็นพระบรมศาสดาการได้บรรพชาการถึงพร้อมด้วยคุณคือสมาบัติและพัญญาหา้าอธิการะคือการกระทําให้ยิ่งก็คือความเป็นผู้มีประการต่อมา ค, อความผู้มีฉันท่ายอย่างรุนแรงเพราะเหตุนั้นสุเมธาดาบทจึงกล่าวว่าเมื่อเราน อ, นอนอยู่บนพื้นดินมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเมื่อต้องการอยู่ก็จะเผากิเลสในวันนี้ได้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 ข้ามฝ่าฟันโลกยะหมหาสมุทรเนี่ยไปถึงฝั่งคืออนุปาธาปณินิพานให้ได้ช่วยมนุษย์โลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามพ้นในพุทธวงศ์กก่าไว้ี่นี้นะตอนนั้นพทีปังกรเนี่ยเสด็จมาประทับยืนด้านศีรษะของจุมีธาดาบทแล้วก็ทรงกระธรรมพยากรณ์ท่านใช้คำว่าอัศริสกะนาคเตสุทางศีรษะเนี่ยในอนาคตท่านบอกว่า พระพุทธเจ้านาวัตีบางกรรผู้รทรงรู้แจ้งโลกผู้สมควรรับเครื่องบูชาประทับอยู่ยืนอยู่เหนือศีรษะของเราได้ตํารัด บ, บอกว่าเธอทั้งหลายจึงดูชดินดาบทนี้ชี้เลยนะเมื่อกี้เห็นภาพใช่ไหมนั่นแหละชี้ออกไปไปดูอีกครั้งนี่บอกว่าเธอทั้งหลายจึงดูชดินดาบทเนี่ยผู้มีตาบะแก่กล้าตบะก็คือว่ามีฌานสมาบัตแปดมีไอพิญญาห้า ในกลับปัญหาประมาณไม่ได้ไม่ได้บอกจํานวนกับบอกในกลับปันหาประมาณไม่ได้จากนี้ไปเนี่ยเขาจะเป็นผู้ได้เจ้าในโลกบอกเนี่ยจะตัดสู้นุตตะลาสมาสัมเบลยานเป็นรุ่ยเจ้าปาตะถาคตจะเสด็จจากกบิลพัทที่น่ารื่นลมทรงเริ่มตั้งความเพียรบําเพ็ญทุ ก, กรกิริยาตถาคตจะประทับนั่งที่โคนต้นอชะปารานิโคทรงรับข้าวปายาตแล้วก็เสด็จไปที่แม่น้ําเนรัญชาลา พระชินอาชาพระองค์นั้นจะเสวยข้าวปลาญาติริมฝั่งแม่น้ําในรัญชลาและเสด็จไปที่โคนต้นโพตามหนทางอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้ดีแล้วจากนั้นพระองค์ผู้มียศใหญ่จะกระทําประทักษิณโพทีมณฑนันยอดเยี่ยมแล้วตัสรู้ที่โคนต้นอัสสะพึกพระมารดาผู้ให้กําเนิดพระชินอาชาพระองค์นี้จักมีพระนามว่ามายาพระบิดาจะมีนามว่าพระเจ้าสุโธธนะพระชินอาชาพระองค์นี้จักมีพระนามว่าโคดม อ克拉สาวกจะมีชื่อว่าโกริตะและอุปติสะผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีอุปถาคจะมีชื่อว่าอนนท์จากบำรุงพระชิฐเาจ้าพระองค์นี้อ克拉สาวิกาจะมีชื่อว่าเข ม, มาและอุบลวันนาผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีต้นไม้เป็นสถานที่ตัสรุนุตระ ส, สัมมาสัมปราญาณของพระเจ้าพระองค์นั้นชาวโลกทั้งหลายจะเรียกกันว่าต้นอัสสัทภค์ใน พุทธการนิกายพุทโธก็กล่าวอย่างเนี้พอ พ, ะพระทศพลยานดำหลัดอย่างนี้เห็นไหมว่าดูสิพอพระเจ้าประกาศอย่างนี้เบ็ยดเสร็จให้ประกาศชื่อประกาศระยะเวลาประกาศพ่อแม่ประกาศอุปถากแล้วก็สาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายสาวกสาวิกาเบื้องขวาเบื้องซ้ายเบ็ดเสร็จเนี่ยบุคคลเหล่านี้แปลว่าจะต้องบ่เพนบารมีค่อนข้างอย่าง หนักนุพ ร, พระทศสราพลยานก็ดือยืนอยู่ด้านศรีรษะคันพยากรแล้วก็ชื่นชมบูชาพระโพธิสัตว์ด้วยดอกไม้แปดกำมือนะพระพุทธเจ้าอ่ะพระทีบังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไมบูชาท่านผู้นี้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบูชาพระพุทธเจ้ารู้เปล่าเนี่ยบูชาพระพุทธเจ้าสเสด็จ ดำเนินเวียนขวาแล้วก็หลีกไปพระขีนาศบสี่แสนโล ก, ก็พากันบูชาได้ดอกไม้ของหอมเดินเวียนขวาก็หลีกไปเหมือนเงินประทัพศินะ่ะเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายต่างร่ า, ราเริงได้ทราบวสุเีธาดาบทจักเป็นพระเจ้าพากันทำการบูชาอย่างหาประมาณไม่ได้ไหว้แล้วก็ททำระบุปุพพานิมิต32ประการชื่นชมแล้วก็หลีกไปนะก็ ตรงนี้ก็คือว่าในคำภีชินาราังกาแล้วก็กล่าวไว้ในคำภีสัมพราวิบากก็ขยายความไว้เหมือนเกี่ยวกัเรื่องของปุพพนิมิตรหรือว่าสามสองประการเนี่ยแสดงเห็นชัดบอกว่าตอนนั้นมนุษย์ทั้งหลายที่เขามีความรู้ที่เขาเป็นภ้าอริยะก็เยอะใช่ไหมก็พากันชื่นชม ว่าถ้าท่านทั้งหลายถ้าท่านถ้าท่านสุเมธาดาบทจะได้เป็นพระเจ้าในอนาคตท่านก็จะมีปุถานิมิตสามสองประการยังไงพลนะนาให้ฟังเลยว่างั้นเถอะสาธยายสูตรให้ฟังว่างั้นเถอะสาธยายให้เกิดความร่าเริงบันเทิงให้เกิดปลาโมดปีตีปฏิสธที่ความสุขขณะนั้นสุเมธาดาบทได้ฟังคมยยากรของพระบรมศาสดาทีบังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าและของเทวดาและพรหมที่อยู่ในหมื่นจักรวาลแล้วจมดิ่งอยู่ในทะเลของปีตีทั้ง5นะ ขุทก า, าปีติพัฒนาปีติเป็นต้นนะคณิกาปีติโอการติกาปีติเนี่ยนะอุเพงกาปีติปีติทั้งห้าก็โลดผลในใจเป็นยี่ห้อสองย่วโมงลยงนะโลดผลอยู่อย่างนั้นแหละใครเคยเกิดปีติถึงห้านาทีไหมนี่ท่านเกิดอย่างโลดแล่นเลยนะบอกว่าทั่วสรีละไม่ขาดระยะเป็นประดุษมีกายอนุพิเศษด้วยอมตะสําคัญสมบัติของพระเจ้าประดุษอยู่ในอุ้งมือลองคิดดูเหมือนการเป็นพระเจ้าอยู่ในอุ้งมืออยู่ในอุ้งมือเลย